มาธิอย่างอ่อนๆก็กระแสจิตส่งออกไปข้างนอกให้ประคองจิตให้เป็นสมาธิไว้ได้นานๆภาพนิมิตเหล่านั้นจะอยู่ให้ท่านดูท่านชมบางทีท่านอาจจะเลิกว่าภาพนิมิตที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่สนุกเพลิดเพลินสนุกซะยิ่งกว่าไปดูหนังอันนี้แล้วแต่มันจะเป็นไปตามอำนาจกิเลสของใคร แต่ถ้าผู้เห็นนิมิตนั้นเคยมีสิดีมีสติปัญญาดีอาจจะจับเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติพี่เจรณาเป็นกรรมฐานในแง่วิปัสสนาโดยกําหนดหมายว่านิมิตนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนิมิตนี้ก็ไม่เที่ยง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 กลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ตามในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วยู้โรยิ่งเห็นจริงในอสุภกรรมาฐานหรือในธาตุกรรมาฐานจนมองเห็นอสุภกรรมาฐานว่าร่างกายเนี่ยมีเป็นของปฏิกูณน่าเกลียดเท่าเปือ่อยผุพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือและมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสดินน้ำลมไฟ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 ภูมิของปฏิภาคนิมิตถ้าหากว่าในขณะที่นิมิตมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่อย่างนั้นถ้าจิตสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงของนิมิตโดยกำหนดเอาอานิจจสัญญาความจำหมายว่าไม่เที่ยงเข้ามาแทรกในความรู้เห็นในขณะนั้นโดยอัตโนมัติจิตของท่านก็กลายเป็นการเดินภูมิวิปัสสนากรรมาฐานไป และนิมิต ท, ที่ปรากฏนั้นก็ปรากฏเฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นในขณะที่อยู่ในสมาธิจิตของทุกกายของท่านเองว่าเป็นอสุภกรรมฐานเน่าเปือยผูพังและรู้ว่ากายของท่านเป็นาธาตุกรรมฐานคือมีดินน้ำลมไฟในที่สุดกายของท่านที่รู้นั้นก็สลายตัวไป แต่เมื่อท่านเตือนจากสมาธิขึ้นมาแล้วกายก็ยังอยู่หาได้สลายไปไม่เพราะฉะนั้นจึงทำให้สันนิฐานตัดสินได้ว่าบรรดานิมิตรทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในขณะที่เราทำสมาธิภาวนานั้นจึงใกล้ที่จะขอเตือนให้บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายให้สังวรระวังเอาไว้ก่อนว่า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 นี่คือทางเกิดของนิมิตรหรือไม่ใช่ไม่เกิดของนิมิตในขั้นนี้เรื่องเราหรือนิมิตอะไรจะพึงเกิดขึ้นภายในจิตในขณะปฏิบัติก็ตามให้สังวรระวังรักษาความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ว่าสิ่งนี้คือจิตของเราปรุงแต่งขึ้นในขณะที่จิตเรามีสมาธิ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 ยังใครที่จะขอให้ท่านสนใจในหลักลางหลักแห่งโพดชงที่พระพุทธเจ้ายอมรับว่าเป็นองค์แห่งการตัดสุขคือสติสำโพดชงเราควรจะทำให้มากๆอบรมให้มากๆฐานที่อบรมสติ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 กายภายนอกก็หมายถึงกายของผู้อื่นทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่หรือไปเห็นก า, ายภายนอกที่ตายแล้วแล้วก็น้อมนึกพิจารณาน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับตัวเองเช่อนอยังเห็นเพื่อนฝูงที่เขาถึงแก่ความตายไปแล้วเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะต้องมีการเน่าเปื่อยผุพัง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 อะไรก็ตามเป็นอุบายที่จะทำให้เรารู้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆจิตของเราจะยอมรับหรือทราบซึ้งลงไปง่ายๆแม้ว่าจะไม่ตรงตามแบบแผนนักแต่มันสามารถเป็นอุบายทำจิตให้เรารู้ซึ้งลงไปได้ก็เอาสภาวะธรรมที่เราจะพึงกาหนดรู้หรือจะเอามาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องละลึกของสติทัน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 ถ้าเจตู้ซึ่งเห็นจริงด้วยความเป็นสมาธิมีสติปัญญามันก็เป็นอุบายให้เราบรรลุถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้เหมือนกันทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนาเคยได้กล่าวเสมอว่าบริกรรมภาวนาทุกชนิดหรือทุกอย่างเฉพาะในหลักอนุสติสิิ อนุสติตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดข้อหนึ่งก็คือพุทธานุสติข้อสองธรรมานุสติข้อสสังขานุสติและเทวตานุสติอุปสมานุสติเป็นลำดับไปเรื่องของอนุสติ8ดข้อนี้เกี่ยวเนื่องด้วยบริกรรมภาวนานเคลื่อนเชวการบริกรรมภาวนานี่ใครจะบริกรรมภาวนายางไรก็ตาม จะบริกรรมภาวนาเป็นทั้งวันทั้งคืนก็าตามเจ็ดไม่สามารถจะสงบโปงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิขอให้พึงทําความเข้าใจกันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นผู้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธภาวนาพุโทโธนี่จิตไม่ถึงขั้นสมถะเพราะจิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิท่านทั้งหลายจะพึงเข้าใจผิดว่าภาวนาพุโทโธจิตได้แต่ สมถกรรมฐานไม่ถึงวิปัสสนากรรมฐานแต่แท้ที่จริงแม้แต่อแท้ที่จริงนั้นภาวนาพุทโธนี่จิตถึงแค่อุปจาระสมาธิท่านเคยสังเกตไหมท่านบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอใจตรู้สึกเคลิ้มเคลิ้มแล้วก็สว่างจิตใน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 เ่จะให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิถึงขั้นสมถะนั้นผู้ฉลาดในการภาวนาจะต้องกำหนดจิตน้อมไปสู่ลมหายใจกำหนดตัวลมหายใจเข้าออกเข้าออกลมหายใจเข้าออกจะเป็นสื่อนาจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิถึงขั้นสมถะหรือมิฉะนั้นก็กำหนดาะกายกตาสติ ผมขนแลปันหลังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาในแง่ใดสุดแท้แต่ท่านจะสรุปจะพิจารณาในแง่อนนีจังทุกครั้งอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็ได้จะพิจารณาในแง่อสุภากรรมฐานว่ากรายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกสกปรกก็ได้แล้วถามปัญหาถามตอบตัวเองไปเป็นเปาะเพื่อประคับประคองจิตให้นึกคิดพิจารณาอยู่ในเรื่องเรื่องเดียว หรือท่านอาจจะพิจารณาว่ากายนี่มีแต่ธาตุสีดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลโตโตนเราเขาเป็นได้เพียงดินน้ำลมไฟไประชุมกันแล้วก็มีจิตวิญญาณมายึดถือเป็นว่ามายึดถือโดยความเป็นเจ้าของจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแต่เมื่อแยกออกไปโดยเป็นสัตว์ส่วนแล้วหาสัตว์บุคคลโตโตนเราเขาไม่มี อันนี้คือผลลัพธ์ของการพิจารณ า, าธาตุกรรมฐานในไม่เจตสามารถแยกกายออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมองหาสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีเด่นก็ไม่ใช่ตัวเราน้ำก็ไม่ใช่ตัวเราลมก็ไม่ใช่ตัวเราไฟก็ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกนึกคิดก็ยังไม่ใช่ตัวเราในเมื่อเป็นเช่นนั้นอ น, นาตาัตต า, านุปัสนาญาณมันก็ย่อมบงังเกิดขึ้นคือความสําคัญมั่นหมายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน จิตมันก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้ได้อีกอย่างหนึ่งในเมื่อท่านบริกรรมภาวนาบางครั้งซึ่งจิตมีอาการสงบโคกลงไปแล้วก็สงบโคตรโคตโคตลงไปไปถึงระดับที่นิ่ ง, งเป็นอัปปนาสมาธิแต่ท่านไม่สามารถที่จะกำหนดตามองค์ฌานวิตกวิจารปีติสุขเอกคตตาได้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 ต้องให้จิตมันสงบซะก่อนทีนี้ถ้าหากว่าจิตของท่านสงบซะเองยางที่ยาก่อนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแล้วท่านจะมาปฏิบัติให้มันเหน็ดเหนื่อยทำไมเพราะเราไม่มีความสงบนั่นเองเราจึงต้องมาก้มหน้าก้มตาปฏิบัติกันอารมณ์ที่เราว่ามันทำให้เราวุ่นวายเดือดร้อนอยู่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 เมื่อมีศรัทธาวิริยัตสติความมั่นคงของจิตมันก็เกิดขึ้นแม้จะเป็นความมั่นคงโดยการขม่มหรือโดยความตั้งใจก็ตามแล้วในที่สุดเพราะอาการอาศัยการขม่มอาศัยความตั้งใจจิตมันก็จะกลายเป็นสมาธิได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็ย่อมบังเกิดขึ้น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 เมื่อพลังอันนี้มันเข้มแข็งขึ้นมันก็กลายเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในเกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติของเราในเมื่อศรัทธาิริยสติสมาธิปัญญากลายเป็นอินทรีย์แก่กล้าสติตัวนั้นมันก็กลายเป็นมหาสติเรียกว่ามหาสติปัฏฐานเมื่อจิตมีมหาสติปัฏฐานเป็นเจตสิกประกอบนั่นอยู่ในจิตในใจ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 ขอย้ำเตือนท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการเรียนรู้มากเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติแต่เมื่อจะให้สำเร็จผลอย่างจริงจังนั้นต้องอาศัยการทาจริงอาศัยหลักโพชฌงค์าวิตาพระโหรีกตาอบรมให้มากๆกระทาให้มากๆทกทำให้ชํชนานิชชัามนาญ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 เมื่อเราจดจ้องรู้อยู่ความนิ่งของลมก็าตามความเคลื่อนที่ของลมก็าตามลมเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อลมปรากฏในอาการนิ่งเราก็ดูความนิ่งของลมเมื่อลมมันเคลื่อนที่เราก็ตามรู้ลม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 เพราะถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติไปติดความนิ่งซึ่งไม่มีเครื่องรู้อะไรถ้าหากว่าจิตจะเดินดำเนินไปก็เดินไปในแง่ของฐานทานชนิดที่ไม่มีเครื่องรู้แต่จิตต้องอยู่ในจุดเดียวนักหนักเข้าเมื่อติดทานแล้ว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 ดีมันดีอย่างไรดีเพราะจิตจะมีเครื่องรู้มีสติมีเครื่องระลึกอย่างสมมติว่าท่านต้องการจะให้จิตของท่านสงบนิ่งแต่มันนิ่งไม่ได้มันมีแต่ความฟุง้งถ้าหากท่านสามารถกำหนดจิตตามรู้เอาตัวสติตามรู้ความคิดที่มันฟุ้งซ่านนะั่นเอง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 ท่านจะเกิดความยินดีและเกิดความยินลายสิ่งใดที่ท่านชอบท่านจะยึดในเมื่อท่านยึดตรงไหนภาวะตันหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านยินดีที่ตรงไหนกามตันหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านเบื่อหน่ายที่ตรงไหนขี้ภาวะตันหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นถ้าหากความคิดนั้นแต่แต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไป ไม่มีอาการยึดถือไม่มีความยินดีไม่มีความยิน้ายจิตของท่านกำลังจะดำเนินเข้าไปสู่สภาพปกติในเมื่อสภาพปกตินี้มีความมั่นคงขึ้นสมาธิเกิดลายเป็นอริยมรรคคือความประชุมพร้อมแห่งมรรคแศีล ส, สมาธิปัญญาประชุมลงแล้วจิตกลายเป็นสภาพปกติซึ่งมีสมถภาพ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 การทำสมาธิเป็นกิริยาของจิตนั่งสมาธิได้เดินทำสมาธิได้นอนทำสมาธิได้หรือใครจะแน่จริงวิ่งทำสมาธ